การที่คนเราเนี่ยเดินเหินไปไหนมาไหนได้นี่ถือว่าเป็นความมาสจันนะของสัตว์โลกเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าจะไม่มีสัตว์โลกชนิดใดเลยนะที่สามารถจะเดินได้คล่องแคล่วเนี่ยเหมือนกับมนุษย์แม้แต่ลิงนะก็เดินแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะชิมแปนซนีอุรังอุตังเหล่เนี้คนเราเนี่ยเดินได้คล่องซึ่งมันก็ต้องอาศัย เหตุปัจจัยมากมายนะทางด้านกายภาพกายทางด้านกายวิภาคหรือสรีระแล้วแ่งถ้ามามองถึงคนแต่ละคนเนี่ยนะถ้าหากว่าเดินเหินได้นี่ถือว่ามีโชคมากเพราะว่าการเดินได้นี่มันทำให้เรามีอิสระในระดับหนึ่งอิสระในการไปไหนมาไหนถึงแม้ว่าเราจะมีรถยนต์จะมีรถเข็นแต่มันก็ มีข้อจำกัดนะถ้าที่ไม่เรียบพื้นไม่สม่ำเสมอหรือขึ้นเขาเนี่ยยากเลยนะรถเข็นหรือว่ารถยนต์เนี่ยถ้าเป็นทางชันแล้วก็ทางแคบๆนี่ก็หมดสิทธิ์ใช้รถได้เลยแต่ว่าเรายังใช้ขานี่เดินได้และการที่เราได้รับโชคแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้นี่ นอกจากจะเสียโอกาสแล้วนะบางทียังทำให้เกิดเคราะห์ตามมาด้วยนะโชคนี่มีแล้วไม่ใช้เนี่บางทีเกิดเคราะห์ตอบแทนหรือเป็นผลตามมาอนยะ่างเช่นการเดินเนี่ยนะถ้าเราเดินบ่อยๆเดินเป็นประจำเนี่ยโอ้มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากแต่ถ้าเราไม่เดินนะเอาแต่นั่งเนี่ยและสมัยนี้มันก็มี แต่ปัจจัยให้เราสามารถจะนั่งได้นานๆไม่ว่าจะนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้หรือว่านั่งรถเนี่ยมันก็ดีนะทำให้เหนื่อยน้อยลงแต่เีนี้เราก็พบว่าเนี่ยถ้านั่งนานๆ น, า น, นี่ไม่รู้จักเดินเนี่ยหรือเดินน้อยนี่โรคตามมามากมายเลยโรคเบาหวานนะโรคหัวใจและเดี๋ยวนี้ก็ยังสัมพันธ์กับโรค ความจำเสื่อมนะโรคความจำเสื่อมนี่ก็เป็นปัญหาของคนยุก ป, ปัจจุบันมากโดยเฉพาะพอมีอายุมากแต่ๆก็ยังมีอายุยืนนะแต่มีอายุยืนแล้วความจำเสื่อมในช่วงเวลาที่มีอายุเป็นของแถมเนี่ยมันก็ดูจะไม่คุ้มเงินเท่าไหร่เลคนสมัยนี้มีอายุยืนมากกว่าคนรุ่นพ่อนะสิปี แต่สิบปีที่ยืยืเนี่ยหมดไปกับการเป็นโรคความจำเสื่อมเช่นอัลไซเมอร์แบบนี้มันก็ไม่ค่อยไม่เคยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้จักเดินนะโอ้มันก็ช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยลง เ, ยเบาหวานโรคหวัวใจความจำเสื่อมนั้นเราเนี่ย ในเมื่อเราได้รับโชคนะได้รับสมรรถนะอันพิเศษแล้วนี้ก็ควรจะรู้จักใช้เป็นประโยชน์บ้างนะแม้ว่าอาจจะเหนื่อยแต่เพราะเหนื่อยนี่นแหละจึงดนะีเพราะเหนื่อยน่นแหละนะจึงช่วยทำให้โรคต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้น้อยลงเดี๋ยวนี้ก็พบแล้วนะว่าเนี่ยเพียงแค่ ลดการนั่งลง30นาทีนะเปลี่ยนจากนั่ง30นาทีเป็นยื น, นยแค่ยืนเท่านั้นแหละมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วและถ้าถ้าแทนที่จะยืนก็เดินด้วยเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่วันหนึ่งเนี่ยนะแทนที่จะนั่งยาวเนี่ยลดเวลานั่งลง30นาทีมาเป็นยืนมาเป็นเดินเนี่ยหรือวิ่งเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลย หรือไม่ฉะนั้นเนี่ยนะทุกชั่วโมงเนี่ยแทนที่จะนั่งยาวก็ขยืนขยับห้านาทีเนี่ยห้านาทีทุกชั่วโมงเนี่ยเขาเพ่ามีผลดีต่อสุขภาพมากนะผลที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันควันนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นสะสมไปทีละนิดทีละน้อยนะจนเวลาผ่านไปหลายปีก็จะเห็นผลได้ชัดเจนนะว่าให้โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นกับเราน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่อเรายังมีความสามารถเชื่อเดินได้นี่ก็ควรจะเดินบ่อยๆนะเดินเยอะๆนะนั่งให้น้อยลงพรุทธเจา้าตรัสว่าคนเราจะมายืนยืนได้เนี่ยนะหนึ่งต้องรู้จักหาความสบายใส่ตัวหรือรู้จั ก, จกทําตัวให้สบายในการนั่งเนี่ยมันก็เป็นความสบายอย่างหนึ่งนะแต่พุทธเจ้า สอนข้อที่2ได้ ว, ว่าให้รู้จักประมาณในความสบายออย่าสบายมากไปนะนั่งนั่งนอนนอ น, นอนมากไปนี่อันนี้ว่าสบายมากไป ต, ต้องขยันขยับบ้างนะเดินวิ่งออกกำลังกายว่ายน้ำหรือเดินขึ้นบันไดก็ยังดีแทนที่จะใช้ลิฟต์นะเดินขึ้นบันไดีก็ ช, นะกช่วยเยอะนะอะไรที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วนี่เหงื่อออกนี่ดีทั้งนั้นะสำหรับคนสมัยนี้นะถึงแม้ว่าความเหนื่อย จนเหนื่อยออกนี่มันจะไม่ใช่เรื่องสบายนะสำหรับผู้คนแต่ว่ามันเป็นประโยชน์นะต่อสุขภาพก็แปลงนะคนเราเนี่ยตอนที่ยังเดินไม่เป็นเดินไม่ค่อยได้นี่เป็นคนขวายมากเลยนะในการที่จะเดิ น, นดูอย่างเด็กเดกเยเด็กนี่เดินไม่ได้นะต้องคลานแต่เด็กนี่พยายามที่จะเดินให้ได้นะแม้เดินแล้วลม้มพอลม้มเสร็จก็ลุกใหม่จะเดินให้ได้ แต่พอเดินได้แล้วนี่กลับไม่อยากเดินคันแก่ตัวเดินลำบากแล้วเดินอาจจะลม้มกลับอยากเดินนะคนแก่มากๆเนี่ยหรือแม้แต่คนป่วยที่เดินไม่ค่อยไหวเนี่ยจะอยากเดินมากเลยจนบางทีคนดูแลนี่ก็ห่วงนะพ่อแม่นี่เป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นคนแก่งอมเนี่ยจะลุกไปห้องน้ำนี่บางทีลูกหลานเนี่ยจะช่วยประคอง หรือให้นั่งรถให้ใช้วอล์กเกอร์ไม่ยอมนะฉันจะเดินทั้งที่เดินแล้วนี่อาจจะล้มลูกหลานนี่ไม่อยากให้เดินเลยแต่คนแก่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยปู่ย่าเนี่ยอยากจะเดินไอตอนยังหนุ่มสาวเนี่ยเดินคล่องเดินเป็นเดินสบายไม่ยอมเดินเอาจจะนั่งอย่างเดียวนั่งรถนั่งเก้าอี้แต่พอร่างกายเริ่มทุพพลภาพเดินลําบานี้อยากจะเดินแล้ว มันประลานนะตอนเป็นเด็กเดินไม่ได้อยากจะเดินพอโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเดินได้คล่องไม่อยากเดินแต่พอแกเดินไม่ได้แล้วคนนี้อยากจะเดินแล้วทั้งที่เดินแต่ละก้าวนี่กระเสียงนะเสียงที่จะล้มลูกหลานก็เป็นห่วงมากบอกพ่อแม่อย่าเดินอย่าเดินถ้าจะเดินบอกด้วยจะประคองพ่อแม่บอกไม่ต้องมาประคองยังฉันจะเดินเองเถียงกันทะเลาะกัน เรื่องแค่นี้แหละนะที่จริงมก็ไม่ใช่แค่นี้นะสําหรับคนที่เป็นพ่อแแม่เนี่ยการที่ได้เดินเนี่ยมันเป็นการแสดงว่าฉันยังช่วยตัวเองได้เป็นอิสระภาพอย่างหนึ่งส่วนเพราะส่วนรล่นนี้กลับมองว่าการเดินนี่เป็นความเสี่ยงนะเสี่ยงต่อการล้มเะงั้นเนี่ยในขะที่เรายังเดินได้นี่ก็พยายามเดินบ่อยๆนะ แลการเดินนี่มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากนะมันไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ทสุขภาพนะเราเอามาใช้เอาการเดินมาใช้เพื่อบำรุงใจก็ได้ไม่ใช่บำรุงใจด้วยการเดินตามสวนชื่นชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์แล้วผ่อนคลายสิ่งที่ดีต่อใจยิ่งกว่านั้นคือการเดินอย่างมีสติเดินจงกรมเดินจงกรมนี่มันอาจจะไม่ได้ เป็นประโยชน์ในเรื่องการทำมาหากินเท่าไหร่นะเมื่อเหมือนกับคนสมัยก่อนเนี่ยเดินไปทำไรทำนาเดินไปทำงานนี่เป็นประโยชน์ต่อการทำมาหากินแต่ว่าเดินมีประโยชน์กว่านั้นนะมันเป็นเรื่องการบำรุงใจให้มีสติให้มีสมาธิมีความรู้สึกตัวด้วยนะพนะระพนี่ก็อาศัยการเดินนี่แหละเอาใช้ใช้การเดินนี่แหละมาเป็นเครื่องฝึกนะเป็นอุปกรณ์ในการฝึกเจ็ดจนกทั่ง สามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้หลายท่านนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในพักเดินนี่แหละเดินจงกรมอย่างพระนางโสนาเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยไม่ได้เดินตรงไหนนะเดินในครัวนี่แหละเดินกลับไปกลับมาขณะที่กําลังต้มน้ําร้อนนะให้กับหมู่พิสุณีซึ่งเป็นเลขาวลูกนะแต่ว่าเอาโศกว่าเป็นพันเตนก็สั่งให้นางโสนาเนี่ยซึ่งแก่แล้วต้มน้ำนะให้กับพันเตนซึ่งยังเป็น วัยเด็กนะวัยวยลูกนางก็ไม่บนนะก็เดินจงกลมกลับไปกลับมาระหว่างที่รอน้ำเดือดเพราะว่าบรรลุธรรมเป็นพระรหันต์เลยน ะ, ะนันการเดินนี่ไม่ใช่ย่อยนะมันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจด้วยงั้นถ้าที่เราเดินได้นี่ก็ให้รู้จักขยันเดินนะอย่าเอาแต่นั่งถ้านั่งมากไปนี่ก็เกิดโทษตามมามากมาย